คนซื้อ1้อสิบาบาทร้อยบเาบาทก็จะรู้สึกว่าโอ้ของมันเยอะแต่ว่าของเหล่านี้นี่พราแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะจริงๆเรื่องนี้ก็รู้กันมานานแล้วนะพูดกันมาสิบปีแล้วอาตมาก็พูดที่นี่หลายครั้งนะแต่ว่าก็คงรู้แค่ในวงจากัดนะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เรียกว่าแพร่หลายไปก็ทำให้หลายคนนะดาสว่างมากขึ้น พอเพิ่งรู้ว่าไอ้ของที่มาถวายพระนี่มันใช้อะไรไม่ได้เลยนะใช้ไม่ได้เลยสักอย่างนะั่นแม้แต่น้ํำมาจุ่ขวดก็มีกลิ่นแฟบกลิ่นสบู่นะะคนไทยนิยมถวายสังกทานนะอย่างที่พูดวไว้แล้วเมื่อวาน <c oughs> แต่เวลาพูดถึงสังกทานก็นึกถึงถังเหลืองนะสังกทานต้องมีถังเหลือง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 เห็นถังก็ซื้อเลยร้อยสิบเก้าบาทร้อยเกาสิบเก้าบาทเร็วดีเพราะไม่มีเวลาตอนหลังชาวบ้านเรานะมีเวลาแต่ก็ไม่ทานะแต่ก็ก็ทาเหมือนกันนะพ่อไม่เข้าใจนะเปืองเปืองด้วยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะบางทีถ้าเลือกซื้ออาจจะประหยัดเงินน้อยกว่านี้ใช้เงินน้อยกว่านี้แถมได้ของดีด้วยเราก็เตรียมรับพร